ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธยานในวันนี้จะนําเสนอท่านผู้ฟังในมุมกว้างๆคือเรื่องของาศาสนาทั้งหลายและเราจะมาเน้นเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้ากันเนียวกาศต่อไปคือาศาสนาทั้งหลายในโลกนั้นถ้าหา ก, กว่าเราจะแบ่ง เราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันแต่สามารถสรุปเป็นสามประเภทประเภทหนึ่งเาเรียกว่าเอกเทวนิยมเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญแก่เทพเจ้าเพียงพระองค์เดียวและส่วนมากจะมีโครงสร้างในแนวการนําเสนอเอาพระเจ้าเนี่ยเป็นที่มาของชีวิตทั้งหลาย ก็ทานองพระเจ้าสร้างโลกคือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็จะเน้นย้าไปที่ความพักดีความกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าในฐานะเป็นผู้สร้างมีความคิดการประพฤติปฏิบัติในแนวต้องการประจบประแจงเอาใจพระผู้เป็นเจ้าและโดยมุ่งหวังที่จะเข้าไปอยู่รวมหรืออยู่ร่วมนะ บางศาสนาจะมีลักษณะไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าบางศาสนาก็ลักษณะอยู่ร่วมกันประชิดมากน้อยแตกต่างกันก็ตามแต่ความเชื่อความรอบรู้ของท่านเหล่านั้นศา ส, สนาบางศาสนานั้นมีลักษณะของเรียกว่าพระบุเทวนิยมคือทิวดาเยอะแต่ว่า การนับถือเทวดามากๆเนี่ยส่วนมากก็จะมีปัญหาก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าถือหางเทวดากันทั้งๆที่มีเทวดาไม่มีหางให้ถือเนี่ยมันจะเกิดแตกแยกแลในที่สุดก็จะแบ่งขวายกันเองมันก็มีปัญหาท้าเหล่านั้นก็พยายามที่จะปรับคือใช้บทเรียนจากอดีตเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มรนจะเห็นว่าพื้นฐานของศาสนาเทวนิยมมันเริ่มต้นมาจากเทวดามากก่อนเริ่มมาจากเทวดามากๆแล้วในสุดก็พยายามที่จะพนึกเทวดาเหล่านั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเช่นสมมติว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมันมีพระเจ้าประบุตรพระจิตอย่างน้อยนะฮะลยยังมีเทวด า, ดาหล่านั้นตราอื่นอีกแต่ว่าองค์สำคัญก็มีอยู่สามเมื่อสามก็เพื่อให้เกิดเป็นหนึ่งเดียว เขาก็เรียกว่าตรีเอกานุภาพคือจับสามนี้เป็นหนึ่งเนี่ยจะมีสามเองก็คือชื่อว่าเป็นหนึ่งศาสนาฮินดูโดยหลักการจริงๆเนี่ยศาสนาฮินดูแล้วถ้าเราเอาหลักศาสนาเปรียบเทียบเขาจับนะศา ส, สนาฮินดูไม่ค่อยมีลักษณะทางศาสนาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการเรียกในแนวประนีประนอมกันก็เรียกเป็ศา ส, สนา เพราะเลยพระองค์ประกอบของความเป็นศาสนาในเชิงวิชาการนะหมายความว่าวิชาศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยกาจะเรียงเป็นหนึ่งต้องมีศาสดาที่เป็นบุคคลซึ่งมีตัวตนดูจริงในประวัติศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีตัวตนดีจริงตรง น, นี้เราจะเห็นว่าศาสนาอินเดียจะมีแนวของนิทานประ ล, ลัมปราสื่อต่อกันมาเล่าเป็นน อ, นองเทพนิยาย แล้วก็มีมหมาฤาษีแปดตนช่วยกันเรียบเปรียงคำพีพระเวทขึ้นมาโดยลำดับตั้งแต่ฤาษเวทชุระเวทสามเวทอาถรรพน์ณเวทเผ่านการเวลามาเยอะเราจะเห็่าศาสดาตัวนี้มีจริงหรือไม่ในพิสูจน์ไม่ได้แต่พระเจ้าก็เคยแสดงในลักษณะว่า มันเหมือนกับตาบอดที่จูงเดินด้วาเป็นแถวคือตั้งหัวแถวทั้งปลายแถวเนี่ยไม่มีใครเห็นอะไรเลยแต่พอดีมันจูงกันนะฮะก็ไปกันได้ไปช่วยเหลือกันได้แต่ในในการต่อมาก็พยายามที่จะพัฒนาคือสร้างกว่าเป็นหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นมาให้ได้เพราะว่าแม้จะพัฒนามาจนถึงจุดหนึ่งแล้วนะพระเจ้ายังใหญ่ใหญ่อยู่สามองค์ไม่นับย่อยย่อยย่อยย่อยแหนกันนั่น พระเจ้าใหญ่ๆเหล่านั้นต่างคนต่างก็ถือว่าฉานก็คือหนึ่งมันทำไมจะหล่อหลอมพระเจ้าสามองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่เดิมทีเดียวจะมีการพยายามที่จะให้องค์หนึ่งเนี่ยเป็นที่มาของอีกสององค์พอทำอย่างนั้นต่างคนต่างก็กลายเป็นที่มาของอีกสององค์เลยยุ่งเหมือนกันถ้าพวกที่ให้ความต้องกันแก่พระพรหมก็ถือว่าประสิวะกดีพนารายก็ดีนี่ เกิดมาจากพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างขึน้นแต่ว่าศึกษานิกายสิวเวสที่ให้ความต้องการแก่ปะศิวะก็จะถือว่าปิเสวะเป็นผู้สร้างพานารายกับพระพรหมผมไปศึกษาจะเรื่องพานารายเขาเรียกวิสุเวสนะปรากฏว่าพานารายเป็นที่มาของพระพรหมปิเสวะก็เลยยุ่งย่ง จุดเน้นของมนุษย์เนี่ยมันก็มองเห็นอะไรอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาเพราะความอ่อนแอก็เรียกอัตคัดอ่อนแ อ, อ, น อ, อ, นแอขัดสนแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นต้องการพึ่งพภพนักอาศัยต้องการอำนาจการบวงสูงการดลบรันรดาลการประสิทธิ์ประสัดการป้องกันภัยอันตรายต่างๆคือสรุปว่า เพื่อให้อำนาจอนันภาพของสิ่งที่ตนเคารพนับถือั้านขาจัดทุกภัยโรคให้หรือป้องกันทุกภยัยอุกภัยโรคให้หรือไม่สร้างทุกภัยโรคให้แกิดดกแแ็แล้วแต่แนวมันจะออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยคือมีการบวงสวงอ้อนวอนประจบประแจงก็ทำไปในสองแนวแนวหนึ่งก็คือต้องการให้ท่านประสิทธิศาสตร์สิ่งที่ตนต้องการปรารถนาสอง ก็ขออย่าให้ท่านโกรธอย่าให้ท่านลงโทษเป็นความคิดของมนุษย์ซึ่งเอาความคิดตัวเองไปใส่ให้แก่พระผู้เป็นเจ้าแต่มนุษย์มันก็มีกิเลสนะฮะพอคิดไปคิดมาพระเจ้าก็มีกิเลสมีกิเลสก็แรงด้วยนะฮะบางครั้งบางคราวก็ริษยาบางครั้งบางคราวก็พิโรธบางครั้งบางคราวก็ลงโทษคนฆ่าคนอะไรตายนุ่งไปหมดเลยแต่เพราะมนุษย์ ก, กลัวมนุษย์ไม่รู้ความจริง เวลาถุนพระเจ้าลงโทษจะยอมสยบคือจะเนี้ยเรือดหือไม่ขึ้นอะไรกันนั่นนะก็หมายความว่าเป็นความาบิดเบาดยบุกพ่อมันตัวเองถ้าเราสังเกตุความเชื่อแนวนี้จะมีลักษณะอย่างนั้นแม้แต่ว่าพวกอะไรละ่ะที่เกี่ยวกับหมอดูบอกพระนั้นให้โทษพระนั้นให้คุณพระนั้นสวยอายุพระนั้นกำลังให้โทษก็จะบูชา บูชาด้วยความหวาดกลัวของต่อไอเทวดาประจําจักรราศีทั้งหลายเนี่ยบูชาพระเสารบูชาพระอาทิตย์ตามกำบังวันก็ว่ากันไปเยอะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความคิดที่มีโมหะแล้วก็มีความกลัวแต่ถามว่าทําไมจึงกลัวล่ะเพราะไม่รู้ทําไมจึงไม่รู้เพราะเราเกิดมาเพราะจากความไม่รู้คือเราเกิดมาจากอวิชชา ยังไงยังไงเราก็ไม่รู้ทุกหมดน อ, อกจากจะเป็นพ ร, ระอรหันต์ดังนั้นเราก็มีปัญหาอยู่ที่ความไม่รู้พระพุทธศาสนานั้นจะมีลักษณะอย่างหนึ่งไม่เป็นทั้งพรหุเทวนิยมและไม่เป็นทั้งเอกเทวนิยมลืมไปเอกเทวนิยมเนี่ยฮนะคือคื อ, ค, อคือศาสนาฮินดูเนี่ยนะจะเห็นว่าเขาก็พยายามที่จะสร้างให้เป็นหนึ่งเาเรียกว่าตรีมูรติ หมายความว่าจากหนึ่งเนี่ยจากสามนี่มากลายเป็นหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกับสีเอากาภาพเหมือน ก, น, มนก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าศาสนานั้นมักจะเป็นหลากหลายแล้วกลายเป็นหนึ่งมากอาจกลายเป็นหนึ่งหรือสามกลายเป็นหนึ่งพอมาถึงพระพุทธศาสนาเราเองทุศ า, านั้นจะมีลักษณะของเขาเรียกอาเทวติยม คือไม่ให้ความสําคัญต่อความยิ่งใหญ่ที่มีการพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าในลักษณะต่างๆเป็นที่มาของสรรพสิ่งก็เรียกว่าเป็นอนาชิคือไม่มีเบื้องต้นเป็นอนันตะคือไม่มีที่สุดแต่เป็นอาชิคือเป็นเบื้องต้นของคนอื่นแต่คนอื่นนั้นมีที่สุด หมายความว่าตัวพระเจ้าเองนั้นไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดแต่ว่าคนซึ่งเกิดขึ้นจากจัจะชายาของพระเจ้าเองก็กลายเป็นมีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดที่สุดก็มีการอธิบายกันไปมากมายส่วนใหญ่เนี่ยจะไปรวมหรือไปร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นที่มาของตนเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่มีการวิธีต่างๆอีกเป็นนั้นมากพระพุทธศาสนาของเราเป็น ศา ส, สนาประเภทเขาเรียกว่าอเทวนิยมคำว่าเทวนิยมนั้นไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธความมีอยู่ของเทพเจ้านะแต่ไม่ได้ถือว่ามีเทพเจ้าสร้างโลกเวลาพุทธศาสนาพูดถึงโลกก็จะพูดในแนวของวิวัฒนาการคือเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการแต่ไม่ใช่แบบชาดดาวินที่พูดว่ามนุษย์มาจากลิงนะครชาดดาวินเดียว่าคนที่ไปศึกษาแบบครัลงมาก็คิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานของลิงก็คิดไปนะฮะแต่ว่า เราต้องเคารพศรัทธาของเขาแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้พูดเรื่องความเป็นมาของมนุษย์ในเชิงที่เป็นลิงแต่ถ้าถามมาพูดในแนวไหนล่ะพูดในแนววิวัฒนาการจากสูงไปต่ำและจากต่ำมาสู่สูงขึ้นก็มนุษย์มาจากอาภัสรพรมเลยอาภัสรพรมหรือหมายความว่าเป็นพรมที่หลง หลมโลกก็ามาติดโลกอยู่ก็กลายเป็นวัตถุเรืองแสงซึ่งเกิดมาโดยลําดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับจนมีกายหยาบขึ้นมาต้องกินอาหารแบบมนุษย์ก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะผ่านการเวลากั น, กนมานานก็คือแนววิวัฒนาการแต่ไม่ใช่วิวันาการ ว, วิวัฒนาการแบบมันชันดวิทย์แต่ก็มีสายพันธุ์ของตัวเองมาความมารมาจากพรม ต่อไปถามาก็กลายเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าคนนะฮะเรียกว่ามนุษย์ก็แล้วแต่ใครจะเรียกแต่คําเรียกคนเนี่ยที่จริงมันไม่เพาะสักคำหนึ่งนะถ้าคําบาลีเนี่ยเรียกว่าประชาแปลว่าหมูสัตว์เรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้คล่องผู้ติดเรียกว่าชนแปลว่าสัตว์โลกที่เกิดมา บางครั้งเรียกว่ามัดจะหรือมัดโจแปล ว, ว่าสัตว์ที่จะต้องตายเกิดมาเท่าไรก็ตายเท่านั้นแล้วยังมีคําเรียกอื่นเป็นอันมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเองสัพพชีวิตรั้งหลายที่กําหนดชื่อเรียกขานกันด้วยประการต่างๆก็เป็นเพียงผลิผลวัฒธรรมชาติที่เป็นไปตามกระบวนการวัฒธรรมชาติ เราจึงเรียกใหม่เราเรียกว่ามนุษย์แต่มันมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นคําเรียกในพระศาสนาพูดนะเรียกมากอดหน้านั้นแล้วก็มีการอธิบายในรูปมีที่มาเหมือนกันคล้ายๆกับพระเจ้าสร้างขึ้นเพราะมนุษย์เวลาเขาวิเคราะห์รูปศัพท์เนี่ยว่าเราก่อหรือเชื่อสายของพระมนูชื่อว่ามนุษย์ สัตว์ใดเป็นเหล่ากอรหรือเป็นเชื้อสายของพระมนุสัตว์นั้นชีวมนุษย์พระมนุส่วนมากเราจะรู้จักในคัมภีร์พระมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมายต่งตางๆก็านอมประผู้เป็นเจ้าเป็นที่มาของชีวิตเหมือนกันเกี่ยวกับความว่าเป็นลูกหลานแต่อธิบายไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะพนะออธิบายไปมันก็กลายเป็นอำนานเทพเจ้า ก่อเทพเจ้าในตํานานต้นๆเนี่ยมันมีลักษณะมีลูกมีเมียมีการทะเลาะวิวาทมีการหึงหวงมีการพิจาณแข่งดีกันอะไรต่อไรเนี่ยอย่างเรื่องรบประเคราะ์ทั้งหลายเราจะเห็นว่านั่นก็คือแนวแนวของต้นๆเนี่ยต้นๆเราจะถือว่าศาสนาพราหมณ์ทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นแนวความเชื่อของมนุษย์ที่ยังมีวิชาหรือมีโบหะอยู่มากพอมาถึงพระพุทธศาสนาเราไม่เอาอย่างนั้น เราเรียกมนุษย์เือนกันแต่เรานิยามใหม่นิยามไปสองความหมายความหมายหนึ่งก็บอกว่าสัตว์ใดมีใจสูงสัตว์นั้นเรียกว่ามนุษย์ก็หมายความว่ามนุษย์นั้นก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะสามารถเดินคอตั้งอยู่บนบ่าได้แล้วก็เดินหน้าตรงได้คือคือสัตว์โลกชนิดเดียวนะเราจะเห็นว่าที่สามารถเอี้ยวตัว เอี้ยวคอไปได้แล้วก็ตั้งคอทรงได้แต่ที่จริงก็คือสัตว์คื อ, อยังคล้องอยงติดอยู่ในโลกนั้นเองเพียงแต่ว่ามันมีเกณฑ์ในการกำหนดความเป็นมนุษย์ว่าสามารถพัฒนาได้เมื่อพัฒนาให้ใจสูงขึ้นไปแล้วพฤติกรรมจะสร้างสารรค์สูงขึ้นจนถึงว่าดูด้วยตัวเองมันก็เกิดมนุษย์นะฮะเป็นอภิมนุษย์ อางพระพุทธเจ้าที่จริงก็คือมนุษย์แต่ก็พัฒนาจนเกิดมนุษย์ไปก็กลายกาย็อาจจะเรียกว่าอาภิมนุษย์ก็ได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่โลกเป็นอเอกนันได้โดยลําพังเป็นคนคนเดียวและสิ่งที่พัฒนา น, นั้นก็คือปัญญาเพรา ะ, ะนั้นจึงมีความหมายประการหนึ่งว่าสัตว์ใดที่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หมายความว่าเราเกิดมาทำกลางสิ่งทั้งหลาย แม้แต่อากาศที่เราหายใจรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราสูดดมรสที่เราได้ลิ้มสัมผัสที่เราจับต้องมันมีทั้งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะาปัญหาตอนต้นๆของมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็มีการศึกษาเรียนรู้มีการสังเกตมีการสะสมประสบการณ์บางครั้ ง, บา ง, งบางคราวก็อาจจะ ไปศึกษาเรียนรู้จักสัตว์เ่บางครั้งบางคราวเราก็เรียนรู้ถึงลักษณะของน้ำของฝนโดยสังเกตจากพฤติกรรมของมดที่ขนไข่ของตัวเองขึ้นไปบางครั้งก็อาจจะสังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นมีเสียงกรบร้องะอะไรต่างๆเนี่ย เห็นว่าก็มีการพยายามเรียนรู้กันไปเรืเร่อยๆแล้วก็ร่งสั่งสอนการก็แก้ปัญหาความไม่ค่อยเข้าใจในธรรมชาติขึ้นไปโดยลําดับแต่ทําไปตั้งมาแก็ติดโลกแล้วก็หลงโลกอย่างนั้นเองเพราะว่ามันไปเจอกับความเปลี่ยนแปลงเกิดความกําหนักความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ตัวชอบเกิดท้อถอย ห, หดผูกในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบทาง ปรัชญาเองหลักการทางปรัจญาเลยก็สรุปที่จริงก็ตรงกัยของเราอะนะเขาเรียกมนุษย์ก็คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลคือหมายความว่าสามารถพัฒนาตัวเองให้ใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตได้แต่ต้องเข้าใจนะว่าต้องอาศัยการพัฒนาเพราะในความเป็นคนนั่นเองนะคนนี่บางทีคนนี่มันเป็นอาการนามนะ มันไม่ได้มีเรียกในภาษาบาลีแต่ปเป็นภาษาไทยเนี่ยการนามก็คือค น, นก็คือทําให้เข้ากั น, นบางทีก็ทําให้ยุ่งเหมือนกันก็แล้วแต่แต่คําที่น่าคิดมากคือคําว่าบุคคลบุคคลเมืสมัยโบราณนถ้าเราอ่านหนังสือโบราณอย่าเช่นว่าสกดด้วยถอทหารนะครเรียกว่าบุคคลเปลว่าสัตว์โลกที่เคี้ยวกินของซึ่งไม่สะอาด เป็นเน่าคิดนะครสะท้อนถึงวิถีชีวิตและการครองชีวิตของสัตว์โลกชนิดตื่นแต่ก็เป็นสัตว์โลกที่กินค่อนข้างอุตลุดไปหน่อยอกินในสิ่งที่สัตว์โลกเราอื่นกินแล้วก็กินในสิ่งที่สัตว์โลกเราอื่นเขาไม่กินนะครกินอิ่ดกินหินกินกวดกินสายกินถนนกินป่าไม้เมื่อก่อนยังฝังท่านชยสาโรเขาเล่า รูกิป์ระจันชาก็เล่าในอโยมก็ฟังไงนะฮะก็ เ, เ, เทพมาเปิดให้ฟังก็เล่าถึงการคอรัปชันปัญหาต่างๆในการคอรัปชันกันแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องจีิสองประเทศล้วไม่ต้องไปออกชื่อเขาหรอกหนสือพิม์ไปสัมภาษณ์สอบถามว่าทำไมท่านท่านร่ำรวยมาจากไหนลูกศ บ, บ้านกนใหญ่โตเหลือเกินเป็นคล้ายๆกับปรสาราชวัง แกชีไปให้ดูสะพานโอคณเห็นสะพานข้ามแม่น้ำตรงนั้นไหมนั่นแหละสิบเอร์เซนหมายความว่าแกยักยอ ก, ออกเอาสิบเอร์ซมาสร้างความร่ำรวยยกยตัวอย่างสะพานแห่งเดียวนะคงจะเอามาหลายแห่งแล้วแต่ไปถึงที่หนึ่งซึ่งคอร์รัปชันโกงกินมากกว่านั้นจะอีก ก็สอบถามว่าท่านรับบดได้ยังไงบ้านโชคมันมหาศาลใหญ่โตแล้วเกิดแกก็ชี้ไปดูที่แม่น้ำนะคบบอกคุณเห็นสะพานไหมอันนี้มองไม่เห็นไม่มีสะพานแกบอกนั่นแหละร้อยเปอร์เซ็นคือมันมีนโยบายที่จะสร้างสะพานแต่ว่าเงินถูกโชคโกูหมดก็เลยสร้างไม่ได้ไปอยู่ในกระเป๋าพนักงานเมืองหมดก็เป็นเกตขำขำนะฮะ ไอ้เอาหมดเองคงเอาไม่ได้หรอกเรามีการตรวจสอบแต่ว่ามันคงจะหลายเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการอยู่โดยไม่มีเหตุผลทำให้เขาเคี้ยวกินของซึ่งไม่น่าจะเคี้ยวกินมันเป็นหยาดเหงื่อแรงงานชีวิตของคน ท่านได้ได้ฟังพระราชดำ ร, รัสของพระบาทสนด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่23นะฮะมาฟังตลอดแล้วก็พยายามจะตัดเตียงสือพิมพ์ลอกมาเก็บรักษาไว้คือยังนึกว่าไม่คงบางประเด็นเนี่ยฮะยังไม่เคยรับสั่งชัดเจนขนาดนี้แต่คราวนี้ชัดเจนมากๆา ก็เรียกว่าบางครั้งก็ไม่บอกใบ้ละว่ากันตรงๆเลยพูป็นตรงๆเป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่างๆในบ้านในเมืองสะท้อนภาพทรงอยู่บนที่สูงทรงเห็นเหตุการณ์ต่างๆรู้เรื่องราวต่างๆรัฐบาลกี่ชุดแล้วนะฮ <c oughs> ะเห็นว่าพระองค์ก็อยู่เป็นหลักบ้านหลักเมืองอย่างนี้ก็เห็นอะไรยเยอะๆคือจึงนึกว่า จะตัดข้อความเหล่านี้มาทั้งหมดได้จะพิมพใ์ให้เขาพิมพ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะเอามาตัดตอนลองดูว่าหลักการสำคัญสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่เยอะเหลือเกินนะฮแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีค่อนข้างจะบอกใบ้ให้คิดต่อไปก็ เ, เรียกว่าพูดในแนวนยัยต์เลยนึกต่อไป แต่ก็สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าความแตกแยกอาตมาได้ทำงานเทียบเคียงพระองค์ราชวาดของพระบรสนเด็จพระเจ้าจุหัวในปีที่ 2,111 น, น, นะฮะคอยเฉพาะปีเดียวเทียบเคียงออกมาได้ร่วม300ข้อ มันกราตเวลายก็พิมพ์ในโอกาสที่หม่อมบัวมีอายุเท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกจะหกสิบไปนะนานแล้วแล้วก็เผยแพร่กันอยู่จนถึงปัจจุบันเวลานี้นรับสั่งอะไรเนี่ยมันมันเป็นธรรมะธรรมะมากจริงๆนะฮะแล้วสแสดงสัจจธรรมที่ทรงรู้เห็นแล้วก็หมายความว่าก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาธรรมดา แต่เราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าพอเรามองจากสายธรรมะก็เห็นองค์ธรรมเป็นแถวไปเลยจะส่งสื่อสารด้วยภาษาธรรมดาถึงนั้นมาความวาความสมบูรณ์พร้อมในเหตุผลที่เข้าถึงนัยยะของธรรมะเพราะธรรมะที่จริงก็ไม่มีอะไรนะะคือเป็นกฎเกณฑ์ก็ธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดวยธรรมชาติพระเจ้าก็นํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกท่านนั้นเอง เพนถ้ากว่าเราเข้าใจถึงธรรมะแล้วเนี่ยเราสามารถจะมองกระบวนการก็เหตุผลได้ทั้งหมดอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรหลังการศึกษาเรื่องราวของพุทธเจ้าในหัวข้อใจร่มพระโพธิญานมันก็จะเน้นไปในแนตวตรงนี้เป็นการศึกษาธรรมะจากตัวของบุคคลในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์เองก็มีการพูดมีการทํามีพฤติกรรมที่สะท้อนธรรมออกมาตลอดเส้นทางเนี่ย เราจะเรียนรู้กันในแนวตรงนั้นซึ่งก็คงใช้เวลานานนะนะเพราะว่าประวัติพระพุทธเจ้านะี่ยาวมากถ้ากว่าจะจบได้เนี่ยคงจะเป็นปีๆนะแต่เรื่องจะมีหลากหลายออกไปเรื่อยๆทุกครั้งทลายใต้ลมพระโพธยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพิมพเทมิคที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ ก, กรรมไปบุ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี